อ่ะนะสีนี้ในนี้อาจจะมีบางคนเนาะอาจจะอไม่เข้าใจในเรื่องของบอกว่ารู้ตัวอรู้ตัวเรานะหลวงพ่อมีเคสยกตัวอย่างนะอือันเนี้ยก็เคยใช้มากับเขาเรียกว่าพูดแล้วก็แสดงให้ญาติโยมหลายคนฟังมาแล้วแหละบางคนเข้าใจมากเลยแล้วก็บอกคือมันพลิกเลยอะ่ะจากความที่แบบรู้ตัวไม่เป็นก็ทําให้รู้ตัวเป็นขึ้นมา นะหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างอย่างที่อยู่ออย่างอยู่ที่สุขโตเนาะบางทีหลวงพ่อก็เวลาแสดงธรรมหรืออะไรหลวงพ่อก็ทําแบบบางทีก็แปลกๆเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ทําแต่หลวงพ่อจะทะําอ่ะเพราะว่าสิ่งทําไมหลวงพ่อทําเพราะว่ามันเกิดปัญญาแล้วมันเกิดความเข้าใจนะหลวงพ่อก็เลยมาบอกต่อเช่น ปกติเวลาแสดงธรรมเนาะที่วัดก็ต้องเปิดไฟเป็นปกติเปิดไฟให้สว่างเป็นปกติ ว, ว่าผู้พูดนั่งอยู่ตรงไหนผู้ฟังก็เห็นเห็นผู้พูดอยู่อย่างเงี้ยแต่มีคราวหนึ่งหลวงพ่อบอกปิดไฟให้หมดเลยปิดไฟให้หมดนะเพื่ออะไรเพื่อใจชี้ให้เห็นสภาพธรรมะที่มีอยู่ในขณนะนั้นน่ะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างไงนะทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าหลวงพ่อพูดแบบนี้นะ ยอมลองดูนะหลวงพ่อพูดแบบนี้อสิว่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเทพที่วัดแต่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในห้องในบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เปิดไฟอยู่นะรับรู้ได้ไหมว่าตอนเนี้ยขนาดเปิดไฟเนี่ยอเราก็จะเห็นเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราอาจจะเห็นโต๊ะเก้าอี้เห็นเห็นอะไรต่างๆเนะี่ยที่อยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นน่ะนะเราเห็นหมดแหละแต่พร้อมกันนั้นเนี่ย หลวงพ่อก็จะบอกว่าในขณะที่เราเนี่ยกำลังเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อยู่เฉพาะหน้ามันก็รู้ด้วยนะหรือว่าจะใช้คำว่าเห็นก็ได้เช่นเห็นว่าเราก็อยู่ในห้องตรงนั้นแหละเรามีตัวเราอยู่เราเป็นผู้เห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็รู้ได้อยู่ใกล้ใจเลยนะก็คือรู้ว่ามีตัวเราอยู่ตรงนั้นเนี่ย หลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยมันก็เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แล้วตัวเราที่อยู่ในห้องเนียที่ห้องกําลังเปิดไฟอยู่อนะมันก็มีอยู่เหมือนกันตัวเรานี่ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะมีมีอยู่แต่อีกสิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งเนี้ยที่ที่คนเขารู้ยากหรือว่ารู้ไม่เป็นรู้ไม่เข้าใจเลยหลวงพ่อก็จะบอกแบงนี้ว่านอกจากมีสิ่งที่ ถูกเห็นคือพวกสิ่งที่อยู่นอกตัวเราแล้วแล้วตัวเรานะก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันตรงเนี้แหละจะชี้บอกว่าในปัจจุบันเนี้ยมันมีธรรมชาติที่เห็นตัวเราอยู่ทําไมจึงพูดว่ามีธรรมชาติที่เห็นตัวเราก็เพราะเห็นอยู่จริงๆไงเนี่ยว่ามีตัวเราอยู่จริงๆริงขณะปิดตานะมันก็ยังเห็นได้ว่ามีมีตัวอยู่ตัวอาจจะกําลังนั่งหรืออาจจะกําลังนอนนะ ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นถูกรู้หมดเลยตรงเนี้ยเลยชี้บอกว่าไอ้ธรรมชาติที่เห็นตัวเราเนี่ยธรรมชาตินี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นไปแล้วจากตัวเรานี่ไงตัวเนี้ยคือเป็นสภาพที่มันพ้นไปจากความทุกข์คือพ้นไปหมดเลยสิ่งใดที่มีอยู่ในตัวเราที่ปรากฏได้นะไม่ว่าจะเป็นส่วนเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นเวทนาความรู้สึกเก็บความรู้สึกไม่สบายใจนะหรือว่าเป็นเรื่องของอ ที่เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นหมดเลยนะตรงเนี้ทําให้แบ่งแบ่งฟากนะแบ่งฟากก็คือว่าฟากที่เป็นตัวเราที่เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟากสังขารทั้งหมดหรือจะเรียกว่าเป็นฟากโลกิยะก็ได้นะเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องโลกแต่ธรรมชาติที่เห็นตัวเราเนี่ยนะตรงเนี้ยมันก็เข้าใจได้ชัดเจนเลยว่ามันอยู่อีกฟากหนึ่ง อันนี้พูดเพื่อให้เห็นภาพนะมันอยู่ฟากที่ไม่ปรุงแต่งเป็นฟากที่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่าถ้าพูดถึงเรื่องความแก่เจ็บตายใช่ไหมมันก็อยู่ในฟากตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมันมีความเกิดเกิดมาแล้วแล้วก็มีความแก่นะแก่ขึ้นทุกวันแล้วมีความเจ็บก็เจ็บปวดทุกวันแล้วก็มีความตายสุดท้ายก็คือแตกสลายทำลายดับตายหมด แต่ธรรมชาติที่รู้เราอ่ะเป็นฟากที่ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายนะตรงเนี้ยเพราะฉนั้นมันเป็นฟากเขาเรียกว่าฟากโลกุตตะละตธรรมโลกุตธรรมโลกุตตะละโลกุตละธรรมเป็นฟากที่พ้นไปแล้วเพราะนั้นธรรมะเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องเนี้ยมันไม่ต้องไปคิดค้นหาที่ไหนแล้วมันก็เพียงเข้าใจว่าเพียงแค่รู้ตัวเรานะมันก็ชดัดเจนแล้วว่ามันพ้นทุกข์ในปัจจุบันก็หมายความว่า ถ้ารู้ตัวเราในปัจจุบันมันก็พ้นทุกในปัจจุบันนะถ้ารู้อย่างแจ่มแจ้งนะไม่ไม่มีข้อสงสัยแล้วแจ่มแจ้งจริ ง, รงๆแล้วเห็นแจ้งอยู่อันเนี้ยเขเรียกว่าเข้าถึงแบบคือหมดหมดที่จะแสวงหาอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วหมดแล้วเพียงแต่หลักของมันก็คือรู้ตัวเราอยู่เรื่อยไปตัวเราจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้เรื่อยไปแค่เนี้ยมันเป็นรู้แจ้งขณะที่รู้แจ้งมันก็ไม่มีทุก์คือมันพ้นทุก แต่สิ่งที่ถูกรู้นะ่ะมันก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมคําว่าเหมือนเดิมคือมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันมีสภาพทุกข์อยู่ในตัวใช่ไหมมันเป็นตัวทุกข์อ่ะก็หมายความว่าตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยยังมีทุกข์เจ็บทุกข์ปวดทุกข์เมื่อยทุกข์หิวทุกข์ร้อนนะแล้วก็ในใจมันก็จะมีความ อ, อ, อาการต่างๆมันก็อาจจะเกิดเกิดขึ้นได้ถ้ามีเหตุปัจจัยนะรวมความแล้วเนี่ยในภาคเนี้ยภาคที่เป็นตัวเราเนี่ยมันก็ เป็นปกติของมันคือมันเคยมีอย่างไรก็ไม่ได้หายไปไหนถ้ามีเหตุปัจจัยมันก็ต้องย่อมมีอยู่แต่ความที่ไม่ตายเนี่ยมันเป็นความไม่มีเป็นความไม่ปรากฏไม่มีอะไรอ่ะเป็นความไม่มีก็คือไม่มีทุกไม่มีสุขไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความเศร้าหมองไม่มีอะไรหมดเลยเนี่ยเป็นความไม่มีแต่ความไม่มีเนี้ยมันก็มีนะมีความไม่มีอ่ะถ้าพูดไปแล้วทีนี้ถ้าเห็นตามอย่างนี้ย มันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะแคบลงแล้วไม่เควงควางแล้วไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนแล้วเพียงแต่ให้เห็นแจ้งกับตัวเองอยู่ตรงนี้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เห็นแจ้งอยู่เห็นแจ้งอยู่กลายเป็นว่าเราไม่ต้องเข้าสํานักปฏิบัติไม่ต้องไปอะไรแล้วเพราะจะอยู่ที่ไหนมันก็เห็นแจ้งจะอยู่ที่บ้านก็เห็นแจ้งตัวเราจะอยู่ระหว่างทางก็เห็นแจ้งต่อตัวเราจะเข้าสํานักก็เห็นแจ้งต่อตัวเราเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเห็นแจ้งอ่า จึงไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดสถานที่อันนี้กรณีหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็เห็นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งหลวงพ่อก็เลยใช้เป็นประจําเพื่อเพื่อจะมาบอกโยมนัแหละไม่ใช่อะไรเรื่องการเห็นตัวเองนะอ่าตอนนี้โยมลองปิดไฟก็ได้คนที่อยู่มืดอะ่ะแล้วก็หลวงพ่อก็จะอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อมีความมืดเนี่ยนะ เห็นไหมความมืดก็เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นชัดเจนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจบอกว่าพอปิดไฟแล้วมืดตื้อๆไม่เห็นอะไรแต่ความจริงอะยังเห็นอยู่เห็นอะไรก็คือเห็นความมืดแล้วในความมืดมันมีมีอะไรอยู่ก็มีตัวเราเห็นไหมตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งท้งที่มืดจะตายไปอ่าแล้วก็เห็นตัวเราได้ว่าโอ้ห์มืดตื้อๆแต่ก็ยังรู้ได้ว่ามีตัวเราอยู่ในห้องมืดอ่าความมืดก็มีอยู่ตัวเราก็มีอยู่ ทีนี้ถ้าแยกเ ป, เป็นแต่ละอย่างความมืดก็อย่างหนึ่งตัวเราก็อย่างหนึ่งเห็นไหมแต่มันก็อยู่ด้วยกันแต่มีธรรมชาติอันหนึง่งที่ไม่ใช่มืดและก็ไม่ใช่ตัวเราอันนั้นก็คือธรรมชาติที่เรียกว่ารู้ตัวเราธรรมชาติที่รู้ตัวเราจึงไม่เป็นมืดและก็ไม่ได้เป็นตัวเราถ้าเมื่อกี้ก่อนมืดเนาะก่อนปิดไฟเนาะอยู่ในที่สว่าง ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นความสว่างเพราะความสว่างเป็นสิ่งถูกรู้ความมืดก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้เนี่ยไม่ได้มืดและก็ไม่ได้สว่างแล้วก็มาพูดถึงเรื่องตัวเราธรรมชาติรู้ก็ไม่เป็นตัวเราเพราะเป็นสภาพธรรมะแต่และอย่างถ้าโยมแยกแยะเป็นอย่างเนี้ยเข้าใจอย่างเนี้ย ใ, ใจเลยว่าการพ้นทุกข์มันเป็นยังไง การทนทุกข์ก็คือเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่แยกได้ด้วยปัญญาว่ามันมันเป็นคนละอย่างกันนะก็หมายความว่าสภาพธรรมะที่เห็นได้ธรรมชาติสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยนะมันไม่เป็นสิ่งเดียวกันกับสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งถูกเห็นอย่างนี้เรียกว่ารู้จักแล้วรู้จักตัวเอง ตัวเองในที่นี้หมายถึงอย่างนี้แล้วนะตัวเองในที่นี้คือรู้จักว่าตัวเองคือเป็นตัวเองที่เป็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติรู้นี่นะตัวเนี้เป็นตัวที่พ้นไปแล้วเมื่อพ้นไปแล้วมันก็จะไม่หลงไปติดไปเป็นอะไรมีสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมากมายแต่มันรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีแล้วว่าตัวเองเนี่ยคือไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นอารมณ์ มันก็เป็นแค่รู้อารมณ์นะ 97. มันได้แต่รู้จักตัวเองแล้วมันไม่หลงแล้วนะมันไม่หลงเพราะมันรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีว่ามั น, นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะอะไรจะเกิดขึ้นรู้แล้วเห็นแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วเห็นแล้วแต่ไม่เข้าไปเป็นแล้วอันนี้คือความแบบเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันแจมแจ้งอะนะเห็นแจมแจ้งจนกระทั้งไม่เข้าไปเป็นเพราะรู้ชัดรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อันนี้ยที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ก็เพื่อเหมือนกับ ว, ว่าชี้บอกนําทางถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจเพิ่มคนที่เข้าใจแล้วก็อาจจะเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอ่าเป็นอย่างนี้นะถ้ายัางไม่ชํานาญก็ลองไปทดลองทดสอบอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองะหลายคนที่มีความเข้าใจจากการที่แนะนําอย่างเนี้ยแล้วก็เออเข้าใจขึ้นมาอ่ะทีนี้ ใครจะถามอะไรครับก็โอ้โหหลวงพ่อวันนี้เพลินเข้าใจแล้วครับแน่แน่เนี่ยรู้แล้วรู้แล้วอ่ะรู้แล้วเนี่ยคือยังไม่รู้เนาะแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็ต้องละเนี่ยคือรู้ละคือไม่ต้องไปอะไรมากแต่วันเนี้ยผมจับประเด็นหลวงพ่อได้คือผมตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อมาพร้อมกับพี่จอมเนี่ยระยะเวลาก็ไม่กี่เดือนนะครับเพิ่งจะรู้ว่าแนวทางหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ฆ่าตัวตายนะครับบางคนเอาฆ่าตัวตายยังไง ก็คือให้รู้ตัวเองอะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั่นเองถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราจะฆ่าตัวเองไปได้ยังไงเพราะนั้นสิ่งตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่เราผมเนี่ยยี่สิบปีไม่เคยคิดแต่ว่าไอ้แค่มันเส้นมันยาปากข้อครับมันมันเราไปไปจากอื่นกับคนอื่นที่ว่าหลวงพ่อว่าแต่ต้นนะว่าเนี่ยเวลาไปสอนธรรมะใครเนี่ยเหมือนคนจะถือสอนคนที่มีอาวุธเพราะเขจะไปไปฆ่าไอ้คนอื่นแต่ พ อ, อมาฟังเนี้ยเด็ก็สรุปว่าอพ่อสอนให้เราเนี่ยค่าตหวตายก็คือให้รู้ตัวเองของตัวเราเองเนี่แหละในสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองครับขอบคุณครับครับการอนุโมทนาครับในส่วนที่ผมเห็นว่า เ, ออเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกให้ปิดไฟผมก็ปิดดูไอสิ่งความมืดทั้งหลายทั้งตัวงเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเหมือนกันที่น่าสนใจก็คือว่าเรามักจะมีความคิดเห็นว่าอะไรก็ตามเนี่ย ไม่เคยคิดแบบนี้เลยครับมันมีแต่เรารู้ทุกอย่างเรารู้มืดเรารู้สว่างเรารู้ทุกอย่างแต่ว่าไอเราถูกรู้นี่ไม่เคยรู้ข้อนี้ครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมก็ลองหลับตาดูที่ว่าเออสักหินแต่สักแต่ว่าเหินนะครับถ้าผมเรียนจากพี่ทำนั้นเขาบอกว่าบ้าใบ้ บ, บอดหนวกนี่ครับไม่มีทางบรรู้ทาได้แต่คําว่าตาบอดนะครับแต่ว่าความรู้สึกนี้มไม่บอดหรือว่าเออขณะที่ตาเนื้อไม่เห็นนะครับแต่ ไอ้ความที่จะเห็นตัวเองหรือว่าเดินเหินไปไหนต่างๆเห็นตัวเราทั้งตัวนี้มันเห็นได้หมดนะครับมันไม่เกี่ยวกับอายาตนะดังนั้นหลวงพ่อมาชี้ชัดตรงนี้เลยว่าตราบใดก็ตามที่ยังเป็นลักษณะของขันหาเป็นสังฆารธรรมทั้งหมดเนี่ยยังอาศัยอายาตนะมันก็ทําให้มีความชัดเจนไปอีกว่าสิ่งที่เป็นอีกอย่างหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือวิสังฆารธรรมหรือสภาพธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนี้พ้นอายาตนะ มันก็ทําให้เรามีความชัดเจนเลยว่าเออธรรมะสองฝั่งสองซีกสองด้านแตกต่างกันยังไงที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยครับถ้าไม่มีความความเมตตาของหลวงพ่อคือนั่นแหละที่ผมเข้าใจเลยว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แต่ก่อนผมไม่เข้าใจคํานี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าผมก็คิดว่าเอออ่าเขาเรียกเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรามีกุศลที่ถึงพร้อมเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็จะรู้เองหรือว่าบางครั้งนั้นถ้าเราได้สะสมกุศลมาดีนะครับเดี๋ยวมันก็จะถึงเองก็มันมีความเป็นเราคิดอย่างนั้นทั้งหมดแต่วันนี้ก็มีความรู้เลยว่าเออถ้าไม่มีกรณมิตมาชี้บอกกันไม่มีทางถึงได้นะครับกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อครับเออขออนุญาตนะคะจะเสริมคุณพงนิดนึงว่าเอองานงานที่เป็นไปเพื่อความแทงทะลุ ไห้แจ้งในในศัตรธรรมเนี้ยนะมันเปรียบเหมือนกับการปิดตายยิงธนูนั่นแหละทีนี้การปิดตายยิงธนูเนี่ยที่สําคัญเลยอะ่ะแรงอะ่ะมันก็สําคัญนะพูดถึงวิรยิยะแต่ที่สําคัญมากที่สุดคือทิศคือเวลาถ้าเราปล่อยธนูไปแล้วมันไม่ถูกทิศอะ่ะมันก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้เนาะมันก็เสียแรงเปล่าไม่เข้าเป้าทีนี้ กัญะยาณนะมิผู้เดินทางมาก่อนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ตาได้แจ้งแล้วก็จึงสามารถที่จะโค้ดหรือบอกกับผู้ที่ปิดตาว่ า, เ, าเดี๋ยวที่เล็งอยู่นั่นน่ะมันมันหย่อนไปตึงไปมันซ้ายอีกนิดลองดูซิขวาอีกหน่อยซิเออันนั้นสูงไปหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือเป็นเป็นผู้ที่ปรับเรื่องของทิศเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่คนกัลยาณมานามิตรบอกเนี่ยเขาก็บอกตรงๆกันแหละแต่เวลาคนฟังเนี่ยเราปิดตาอยู่เนี่ยเราก็เราก็เลื่อนไอ้หัวธนูไปเนี่ยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่อย่างนั้นนะมันก็มันก็เลยไม่ไม่ได้เข้าเป้าสัจริงๆสักทีหนึ่งอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องยิงหลายหลดอกเนะถ้าทิศมันถูก่มันยิงทีเดียวมันก็เข้าเป้าเลยแหละแต่ว่าเนี่ยที่สําคัญคือการจูนระหว่างโค้ดหรือผู้บอกหรือกัลยาในใณมิตรผู้เดินทางมาก่อนกับผู้ที่กําลังยิงมานูชิจะเข้าเป้านี่แหละมันต้องจูนตรงเนี้ยให้ให้มันฟังแล้วมันได้ยินแล้วมันก็สามารถที่จะเอาตรงนั้นน่ะไป น้อมเข้าไปที่แขนเราที่เนื้อเราที่เรากำลังจะปล่อยหนูเนี่ยถ้ามันจูนกันตรงนี้ได้แล้วมันสามารถสิงกันได้อะมันก็สามารถช่วยเหลือกันได้ประมาณนี้ค่ะับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าผมนั้นครับคือเป็นคนที่เหมือนกับแสวงหาความรู้ทุกอย่างเลยไม่เคยปิดกัน้นเลยว่าความรู้นี้ไม่ดีไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นรู้ความรู้เรื่องของ เรื่องของทางโลกเรื่องของการเงินเรื่องทุกอย่างนะครับเพราะผมถือว่ามันมีประโยชน์แต่สิ่งนั้นตอนแรกพอผมศึกษาไปมาผมเข้าใจว่าศาสตร์ตะวันตกกับศาสตร์ตะวันออกเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยเฉพาะในเรื่องของพลังจิตั้งต่างๆผมก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้มายาวนานมากแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือผมไม่ได้ปิดกั้นเลยว่าเออผมผมศึกษาไปเพราะผมมีความเชื่อแบบโลกๆกว่าถ้าเรายังไม่ได้ดังหวังมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้ แม้จะเป็นพวกโค้ดทางการเงินพวกธุรกิจพวกอะไรต่างๆผมศึกษาหมดแต่ตอนหลังนะครับมันใช่ไหมอ่ะครับก็คือว่ามันกลายเป็นเสียเวลาเพราะว่ามันที่ผมรู้มานี่ครับที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรารู้ทั้งหมดเลยมันไม่เคยเราถูกรู้เลยตรงนี้ครับหลวงพ่อมาทําให้ผมมันเข้าใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่ครับศึกษาอะไรไปก็ศึกษาได้แต่ให้รู้ว่าเป็นสังคารขันที่ศึกษาพาไปแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันจะเสียเวลา ไปทำไมนะแต่ก่อนผมต้องสนใจการเมืองทันทําทไมรู้ทุกอย่างแต่ตรงนั้นมันประโยชน์หาใช่ไหมเพราะว่าชีวิตมันสั้นนักดังนั้นผมก็เลยเห็นประโยชน์ว่าเออมาสนทนาธรรมอย่างนี้มีประโยชน์มหาศาลครับกาขอบพระคุณครับที่อขอเสริมโยมจอดนะชัดเจนเนาะอทุกคนเนี่ยพูดอสภาวะคือลงที่เดียวกันหมดมันสอดคล้องกันหมดนะแต่เพียงว่าจริลภาษาลงไม่เหมือนกันแต่ฟังแล้วคืออันเดียวกันเนาะ อสิ่งที่ที่ถูกเห็นนั้นอนะ่ะมันก็มีอยู่จริงนะแต่ผู้ที่ไปเห็นนะั้นมันก็ไม่มีอสิ่งที่เราถูกรู้อนะ่ะมันก็มีอยู่แต่ผู้รู้นั้นมันไปหลงกับอสิ่งที่ถูกรู้ในขนาดนี้และก็เดี๋ยวเนี่ยอย่างกรณีถ้ามีการโต้เถียงหรือมีการที่คนที่โต้เถียงคือสาระของผู้ที่ยังปรงแต่งปัจจุบันหันไปแต่ก็ประยุทธ์ปัจจุบันว่าเป็นแล้วแต่ผู้ที่เห็นปัจจุบันมันหายไปแล้ว มันไม่มีเราปัจจุบันก็จะทําให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันก็เพียงแค่สภาวะหนึ่งที่กําลังปรากฏนะเพียงแค่รู้เท่าทันนะคนที่รู้เท่าทันเท่านั้นก็จะยุตินะอันนี้คือประโยชน์ของผู้ที่มีปัญญาอย่างวันเนี้ยอากาศเมื่อวานะวันนี้รู้สึกว่าจะทํำมาเป็นการสิ่งที่สอดคล้องเกื้อกูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ขออนุโมทนานวันนี้ด้วยเนาะทีนี้โยมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะ ยกมือสแสดงตัวหน่อยก็ได้นะว่าที่ฟังมาเนี่ยเออเข้าใจเพิ่มขึ้นยังไงไหมหรือว่ายังไงงงหรืออะไรเนาะต้องคุยนะเพราะว่าการคุยเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับกับตัวของโยมเองอะแล้วก็คนฟังก็ได้ประโยชน์ด้วยเป็นการเหมือนกับว่าทําให้เข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นหรืออย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบเนี้เออเข้าใจได้ไหมหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงอ่า ขึ้นมาพูดคุยนะเป็นการเรียงหมดแหละโยมไม่ได้มีอาจารย์มีลูกศิษย์หรอกพอเป็นว่าการเลยานนิมิต ด, ดีกว่าเนะาะมาพูดคุยกันแล้วก็คุยกันเองไม่ต้องใช้ภาษาศับที่มันยากๆอะไรนะออันเนี้ยเราก็ถือว่ามาคุยกันเพื่อให้เกิดอ่าสติปัญญ า, าเช่นนะขอตั้งสัตว์นิดหนึ่งนะพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือทุกคนมีทั้งบัวมี หลายระดับเนาะผู้ที่ถามเนะ่จะเป็นผู้ที่จะได้รู้นะเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามีถูกหรือมีผิดอ่านะเพราะผู้ที่พูดเราพยายามผู้ที่มีสติขนาดผู้พูดก็ไม่มีตัวตนนะขนาดผู้ฟังก็ไม่มีตัวตนไม่มีคาว่าถูกไม่มีคาว่าผิดเนาะนีกอะเพื่อจะส่งเสริม น, ะนึกถ้าจำไม่ผิดมีพิสุรูปหนึ่งนะผู้เจ้าถามบอกพิสุว่านะ่ะอะไรอะไรนะชื่อสุภูติเอ๋ยเรยเนะี่ย ถ้าบอกการสนทนาธรรมนั้นแท้จริงแล้วมิได้มีการสนทนาธรรมดังนี้มจึงเป็นการสนทนาธรรมที่แท้จริงมีใครเข้าใจความหมายนี้มั่งถามได้เฉยก็ไม่มีผู้ที่พูดและสิ่งที่พูดแต่ก็ต้องอาศัยนะเพื่อให้ดึงศักยภาพของตัว ต, วตวนออกมาให้เห็นสติคือขนาดนี้เดี๋ยวนี้ มีอะไรก็สงสัยถามพระอาจารย์ได้เนาะเพราะมีโอกาสน้อยมากอ่ะที่เราจะได้มาได้คุยกันได้มาสนทนาธรรมครับผมส่วนตัวนิดนึงค่ะท่านพลอยอยู่ที่ไหนอ๋อท่านพลอยตอนนี้ถ้าพูดเรื่องความจําสัญญาตอนนี้ก็อยู่ที่ลำพูนเนาะเพราะถ้าสภาวะจริงมันก็ไม่มีที่อยู่ค่ะค่อยู่ ล, ลําพูนค่ะยอมน้ําแค่นั้นละค่ะ ข, ขอบ็กขึ้นค่ะ ย ม, ยมยมแหม่มนี่ศึกษาแนวเซงหรือเปล่าว่าที่คุยมาโนรู้สึกว่าอยอมแหม่มจะคุ ย, ยเรื่องก<ต>่มเดยกกับท่า น, นในเซ็นในไลน์นล่ะละค่ะคือยมศึกษามาสารพัดเหมือนกันนะต้องบอกว่าสารพัดเนี่ยจนน่วมเลยแหล ะ, ค, ะออค่ะเขาก็ยกตัวอย่างเนาะ อย่างกรณีผู้ที่บรรลุธรรมมันมีสองสำนักสำนักฉับพลันกับสำนักเนื่นช้าเนี่ยมีอยู่สองฝั่งฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้มีการที่จริงอะ่ะครบาอาจารย์ท่านไ ม, มไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ลูกศิษย์เนี่ยไม่ได้อ่านอาจจะไม่เข้ถึงสภาวะเรื่องของกัลลามสูตรนะมันต้องเชื่ออาจารย์ไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดแม้กระทั่งอาจารย์พลอยพูดมันต้องเชื่อนะเพราะ มันเชื่อไม่ได้เพราะทุกสิ่งที่ปรากฏล้วนเป็นของไม่แน่นอนนะมันเชื่อถือไม่ได้นะแต่เมื่อใดผู้ที่สังเกตนะเห็นสภาวะที่ปรากฏเห็นความไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงจากตาําราไม่เที่ยงจากคมภีร์กับไม่เที่ยงแบบรู้อย่างเงียบๆสภาวะนั้นก็มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องอ่านหนังสือตัวอักษรโดยที่เราไม่ต้อง ฟังอาจารย์พูดมันก็มีอยู่แล้วนะผู้ใดที่มีสติที่แบบสัมมาทิฏฐิคือเห็นสภาวะเกิดดับเนะบื้องต้นของความเกิดดับก็คือไม่เที่ยงนะเบื้องต้นของการเกิดดับคือเสื่อมสลายอ่าสูงสุดก็คือเอกกอบื้องต้นของการสูงสุดคือบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยท่านจะเน้นวใช่เราหรือเปล่าพยายามให้ออกจากตัวเราเนี่ยอั้นผู้ที่มีปัญญาก็จะใช้จิตนะเขาเรียกธรรมะทารกที่ไหลออกมาจากจิตเป็นจิตที่พูด โดยสภาวะเขาเรียภาษาสภาวะล้วนๆ น, น่ะจะเป็นการสื่อเขาเรียกจิตสื่อจิตคือผู้รู้รู้รอบโดยไม่มีตัวตนเข้าไปพูดก็จะผู้ฟังก็ไม่มีตัวตนเข้าไปฟังก็จะทําทให้บรรยากาศนะเกื้อกูลเกื้อนหมุนคนที่ไม่เคยฟังก็จะได้เข้าใจแล้วก็จะเริ่มค่อยๆซึมที่เล็กที่ละน้อยอันนึงบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะแต่ก่อนอาตมาก็เคยน ะ, นะอาจารย์ก็าถามว่า มีใครจะถามไหมตอนนั้นเนะี่ยตอนนั้นเราขาดสติเราไม่กล้าถามะตับใดถ้ายังมีคําว่าอัตราตัวตนมันยังคําว่ากลัวนะอใครเข้าไปกลัวนะให้ดูตัวเนี้ยสภาวนะนั้เห็นไหมใครเข้าไปกลัวกลัวที่ยาจะถามอะไรถ้าไม่ถามแล้วก็ดูสภาวะขนาดนี้เดี๋ยวนี้ว่าจะถามอะไรดีเนาะเห็นตัวสงสัยหรือไม่ตัเนี้ยให้ดูตอนนี้เลยเนะี่ยเห็นไหมผู้ใดเป็นผู้เห็นนั่นแหละคือสภาวะที่ท่านเห็นอย่างแท้จริงเ อนอนุโมทนานะครับก็อันนึงนะครับผมเคยทุกท่านเคยได้ยินไหมครับว่าครูอาจารย์ตัดว่าบุคคลเหมือนไฟไม่สีสาะครับนั่นหมายความว่าเราทุกคนอะชีวิตเนี่ยความตายเป็นของไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับแต่ความตายเป็นของยั่งยืนซึ่งคําว่าตายเนี่ยนะครับหรือฆ่าตัวตายตัวตายบางทีตายเรามีอยู่สามอย่างหนึ่งตายจากสมมุติไอ้ตายแต่ละขณะดจิต ก็คือตายเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่รถแต่ละคำะตายไปแล้วส่วนตายสมมุติเช่นในเพลินตายในชาตินี้ชาติต่อไปเป็นกครหราไม่รู้ส่วนตายที่แท้ๆคือนิพพานนี่เขาว่าตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหน้าบ้านหน้าเป็นหน้าหน้าสมนัติหน้ า, ห, นาหัวนิดกันนะครับว่ า, าคนเราเนี่ยอย่าลืมว่าเรารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายใครจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจสมมุตินะครับสมมุติมีท่านหนึ่งรุ่ ถามคำถามหลวงพ่อวันเนี้ยแล้วเข้าใจคําตอบว่าไอสิ่งที่ว่าเข้าไปรู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอะไรเนี่ยบุคคลเนี่ยพี่จอมที่บอกว่าถ้าพรอยผมตายเนี่ยชาตินี้ผมก็ไม่เสียดายอันเนี้ยอุเนี้ยชื่อว่ามีทรัพบและส่วนบุคคลที่ไม่ได้กล้ไม่ได้ถามเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่าสรังสารวัตรค่างไกลแล้วก็มันมันอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเทวทูตหรือคนที่ความตายอยู่หลังเราทุกเสี้ยววินาทีครับและอีกอย่างหนึ่ง ผมบอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจของโลกของสังขารรักคันที่หลวงพ่อบอกบ่อยๆเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าทุกท่านมักจะเริ่มเริ่มย้อนตรงข้ามกับโลกภายนอกคือว่าคนโลกภายนอกนะครับจะมักจะกลัวความตายนะครับก็คือแต่ตรงข้ามบุคคลที่เข้าใจมีปยยัญญาเขรู้สึว ก, ก, กว่าอืมไอ้การเกิดเนี่ยน่ากลัวกว่าการตายนะพอเกิดมาก็ทุกอีกก็โดนสังขารสังขารรักคันวนหอกอีกเหมือนผมนะครับเดินมาก็โดนโดนเบ็ดหลอกแล้วหลอกอีก ซึ่งถ้าไปดูบทสวดก็ว่าเป็นอของหนักเลื่อแล้วก็คนเคลื่อนที่เบื่อนหน่ายและหน่ายแต่ตัวนี้ครับก็ต้องอาศัยในการสุนทธรรมด้วครับผมมีความแสดงความเห็นครับขอบคุณครับก็ขอเสริมเล็นิดนึงข่าวก่อนที่คุยกับพวกเราเนาะที่ว่ามีาลูกสาวช่างพอผ้าคนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็นั่งรอรอว่าเนี่ยท่านรู้แล้ววรารจิตว่าเนี่ยผู้เด็กผู้หญิงคนนี้ จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ได้โสดาบันมากนะัโสดาบันผลเลยเนี่ยพอพระเจ้าก็นังเงียบทุกคนก็ยังเงียบหมดนะพอถึงเวลาอลูกสาวช่างถอผ้าสาวน้อยพวนี้ก็เดินมาถึงเนี่ยพระเจ้าก็ถามว่าเธอมาจากไหนแล้วเด็กคนนี้ก็ตอบพระเจ้าว่าไม่รู้นะตอนนี้ก็ถามอีกเอาแล้วเธอจะไปไหน แกก็ต่อยก็ไม่รู้อีกเนอะ่ยแล้วตอนที่เธอเธอยืนตรงเนี้ยเธอรู้ไหมแกบอกว่ารู้ mm hmm. ก็หมายความว่าเธอมาจากไหนก่อนที่เธอจะมาเนะี่ยก็คือมันว่างอยู่แล้วนะคือทุกสิ่งที่เป็นอดีตเป็นเรื่องสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เป็นความคิดนะเป็นเรื่องอดีตนะนะก็เหมือนจิตนะ่ะจิตมันไม่ไปอดีตแล้วนะตราบใดถ้ายังปรุงแต่งอยู่ก็จะไม่เห็นปัจจุบัน เมื่อใดผู้ใดที่ยังดำรงปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีเรานะก็จะไม่ไม่รู้เราไม่ไม่สนใจและอดีตไม่มีแล้วคืออยู่ปัจจุบันเธอมาจากไหนก็แบบไม่รู้นะเพราะมันดับไปแล้วเราไม่ดำดิบขึ้นมาอีกนะแล้วเธอจะไปไหนสิ่งที่มาไม่ถึงท่านก็ไม่ดำดิบไม่ไปหลงเกิดกับสิ่งที่ปรากฏไม่ปลุกเกิดเพ่ออะไรเกิดขึ้นก็ไม่ดำดิบเพราะอยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็ถามว่าแล้วเธอรู้ไหมว่า ผู้ที่ยืนเนี่ยใครยืนเนี่ยก็บรู้นะคําว่ารู้คืออยู่กับรู้เนาะรู้แม้กระทั่งปัจจุบันนั้นก็ไม่มีเราเนี่ยว่างสามมิติแหละตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วก่อนจะไปก่อนที่จะมามันก็ว่างอยู่แล้วก่อนที่จะไปมันก็ว่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่ว่างเพราะว่าเพราะเราไม่รู้เราเป็นผู้ปรุงแต่งเราเป็นผู้ที่หลงไปกับสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหลายผู้ที่ไม่ไม่หลงไปตามสังขารมันก็จะเข้าสู่จุดจุดหนึ่งที่ว่า ขนาดนี้นี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางเต๋าเนะคือลทัทธิแต่ละละัทธิเนี่ยนะคือจุดเดียวกันเนี่ยเป็นสภาวะจักรวะหนึ่งนะอะเต๋าเขาใช้คําว่าวิธีแห่งอมตะอย่างที่พระอาจารย์ออดพูดนอะ่ะมันเป็นสิ่งเนี้ยที่อมตะเนี่ยอถ้านเซนนี่ยก็เรียกว่าเป็นวิธีแห่งความว่างที่ไร้ทางไปถึงเนี่ยอถ้าถ้าเป็นวิธีแห่งพูดธพราหเราคือวิธีสู่ความหยุดพ้น จากการตื่นรู้เนี่ยคือไม่เอาตัวรู้มาเป็นรู้ของเรารู้เป็นของรู้แต่รู้ไม่เป็นของเราแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดจุดที่ว่าจะเป็นเตาก็ดีเซนก็ดีพูดก็ดีทั้งหมดนี้คือคือจุดหมายเดียวกันทั้งหมดนะหมดทันาเนาะ